บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปกระแสะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตามคํากราบทูลถามของท่านอาชิตตมานุปนั้นก็คือกระแสะของตัณหากระแสะของมานะกระแสะของจิตจิกระแสะของกิเลสและกระแสะของทุจริต แม้จะเป็นการจำแนกแสดงออกไปถึงห้าชนิดด้วยการด้วยกันก็ต่างแต่จริงแล้วเป็นการพูดถึงกิเลสที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจนออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจในกระแสะทั้งหลายเหล่านั้นท่านอาชิตกราบทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้าม เป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสะทั้งหลายเหล่านั้นไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นกระแสะทั้งหลายเหล่านั้นไว้ธรรมะคือสตินั้นเป็นองค์ธรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนข้อนี้จะสังเกตได้ว่า ความสมบูรณ์แห่งสติจะทำให้บุคคลเข้าถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระอรหันต์ความฟั่นเฟือนความเลอะเลือนของสติถึง แ, แม้แต่ความเผลอเรอพลังพลาดหลงลืมก็ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่บุคคลดอกนั้นยิ่งความฟั่นเฟือนเลือนหลงด้วยแล้วก็จะทำให้บุคคลตกต่ำ ม, มากยิ่งขึ้น จนถึงจุดหนึ่งถ้าเป็นสติวิปลาสคือขาดสติไปเลยก็กลายเป็นคนวิกลจริตคือหมายความว่าความประพ ฤ, ฤติผิดปกติไปเพราะสะติที่เป็นตัวควบคุมใจขาดไปหรือมีก็น้อยเกินไปมาอยู่ในวิสัยที่จะใช้ควบคุมความคิดควบคุมคําพูดควบคุมการกระทําข้างต้นได้ เพรนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสังขารคือเครื่องปรุงใจไว้พระทรงแสดงว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดารงจุวิตกวิจารณ์คือความตรึกนึกเป็นตัวปรนปรือการกระทำคำพูดของขมรายลักษณะของวิตกคือความตรึกวิจารณ์ คือความตรองนั้นอันแรกก็เป็นอาการของสติองค์ที่สองก็เป็นอาการของปัญญาซึ่งจะต้องทำหน้าที่ทันก่อนที่จะมีการกระทาก่อนที่จะมีการพูดของบุคคลคนนั้นถ้าหากว่าสติขาดไปก็กลายเป็นความเผลอรเรอพลังพลาดอย่างที่สัมผัสกันได้ในชีวิตประจาวัน แม้ของของตนเองแต่ในขณะเดียวกันแม่จะรังพลัดไปแต่ถ้าถ้าสติเกิดขึ้นทันระลึกได้หากเป็นการระลึกที่ไม่ช้านักก็สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นในชั้นของศีลซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยสติอยู่ทุกขั้นตอนนั้นถ้าไม่ขาดรุนแรงเกินไปก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีล เช่นมีคนก็ถามเรื่องวันเรื่องเวลาก็ตั้งใจไว้จะบอกตามที่ตนรู้แต่สติเกิดขาดบอกไม่ทันรละลึกไม่ทันก็บอกผิดไปพอสติเกิดขึ้นก็ขอโทษคด น, นั้นแล้วก็บอกใหม่อย่างนี้ท่านไม่ถือว่าสินขาดเพราะการปฏิบัติในชั้นสีลนั้น สติจะยังยังสมบูรณ์ไม่ได้ความครั้งพลาดความเผลอรเร่อต่างๆจึงเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าในชั้นของชาวบ้านหรือในชั้นของพระก็ตาพระพุทธเจ้าจึงเปิดทรงเปิดโอกาสให้แก้ตัวสําหรับพระเรียกว่าแสดงอบัยสําหรับสามเณรเรียกว่าขอศีลใหม่เรียกว่าต่อศีลสําหรับชาวบ้านเรียกว่าสมาทานศิน ซึ่งก็หมายความว่าศีลที่รับไปแล้วที่สมาทานไปแล้วขาดไปปกป้องไปเพสติเกิดขึ้นไม่ทันหรือว่าเกิดช้าเกินไปความผิดนั้นเป็นความผิดเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็ทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีว่าการฝึกปลือให้คนมีสติขึ้นมาได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและ ว, ว่าที่จริงก็เป็นที่สรุปรวม ของธรรมะทั้งหลายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนเหตุแม้พระพุทธโอว่าที่ทรงสรุปไว้ก่อนสเสด็จดับขันธปนิพัานก็ทรงเน้นไปที่สติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอดูกรวิสูตรทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนด้วประโยชน์บุคคลอื่นในสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ ความไม่ประมาทกับสติเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายไปแล้วก็อธิบายกลับไปกลับมาแปลว่าความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติความมีสติก็คือการอยู่โดยความไม่ประมาทธรรมะทั้งสองประการนี้จึงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่กล่าวถึงคุณลักษณะที่แตกต่างกัน ความไม่ประมาทนั้นเป็นการกล่าวถึงสติในความหมายที่เรียกว่าทารณาคือทรงไว้หมายความว่าประคับประคองวิถีชีวิตของตนไวแม่ตกอยู่ในความประมาทตลอดไปหมายความว่าปริมาณของสติได้รับการเสริมสร้างจนมีกำลังมากพอที่จะควบคุมบุคคลเอาไว้แม้เกิดการเผลอเเรอเกิดการพลั้งพลาดเกิดการลลงลืม เกิ ค, ความเลนเลื่เพลิเพลิน ป, ป, ป, ประการต่างๆท่านจึงเรียกอาการของสติในกรณีนั้นเป็นความไม่ประมาทพราะสามารถทรงตัวไว้ได้แต่วางานของสติยังกระจายตัวเองออกไปในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปิดกั้นกระแสทั้งหลายทั้ง5ประการดังกล่าวในตอนต้นคือกระแสตันหากระแสมานะกระแสทิฏฐิกระแสนะกแสิเลสและกระแสทุจริตกัน สติทําหน้าที่หลายขั้นตอนด้วยกันแต่ประการที่สำคัญในเชิงของการปฏิบัตินั้นสติกับสัมปชัญญะต้องอิงอาศัยกันอยู่ตลอดจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงในเชิงการปฏิบัติแล้วจะต้องมีด้วยกันทั้งสองข้อดังนั้นพึงสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหลายๆหมวดมีสติอย่างเดียวบ้าง มีปัญญาอย่างเดียวพอหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีทั้งสองข้อตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าหาว่าระลึกแล้วต่อไปก็เป็นรู้เหมือนกับวิตกวิจารังที่กล่าวแล้วในตอนต้นวิตกคือความตรึกเป็นอาการของสติวิจารคือความตรองเป็นอาการของปัญญาคนเราตรึกเรื่องอะไรก็ตรองเรื่อ ง, องนั้นตรองเรื่องอะไรก็จุดเรื่องนั้น เราจึงพูดครวบไปเลยว่าตรึกจองพินิจพิจนานึกคิดไตรตรองตรีตรองเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันขององค์ธรรมสองประการคือสติกับปัญญาหรือสติกับสัมปชัญญตะตอนนั้นในกรณีที่บุคคลจะปิดกั้นกระแสของกิเลสหรือกระแสของกรรมดังที่กล่าวในตอนต้นนั้น จำเป็นจะต้องมองเห็นโทษของตันหาของมานะของทิจิของทุจริตของกิเลส ข, ของทุจริตว่าเป็นสิ่งที่มีโทษแม้เกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างเดียวก็จะก่อให้เกิดความเล้าร้อนเกิดความขุดมัวเกิดความกระสับกระส่ายจนเกิดความมืดบอดไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลไม่พร้อมที่จะใช้สติปัญญาในกรณีเหล่านั้น คล้ายๆกันในทํำกลางความมืดแม้จะมีไฟเพียงนิดเดียวถ้ามีไฟเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถที่จะกระจัดความมืดตอนนั้นได้จิตใจของบุคคลที่ถูกกระแสเหล่านั้นท่วมทับอยู่ตามปกติแล้วถ้าไม่รุนแรงสติก็เกิดตับได้แก้ปัญหาอะไรภายในได้พอสมควร แต่ถ้าหากว่าแกรุนแรงจะพบ ว, ว่าสติจะขาดทันทีอย่างในทุจริตทางกายทางวาจานั้นเห็นได้ชัดทางใจบางทีก็กําหนดระลึกรู้ไม่ทันเพราะแกเร็วเกินไปแต่าการที่บุคคลแสดงออกทางกายทางวาจาในกรณีที่เรียกว่าทุจริตซึ่งเป็นกระแสที่ออกมาข้างนอกนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทําเป็นอันมากที่คนเกิดวูบของอารมณ์ เรียกว่าช่วงวุ่ของอารมณ์หรือว่าบันดาลโทสะหรือว่าลืมตัวแล้วก็กระทําความผิดอะไรออกไปที่จริงถ้าพูดถึงนับเวลาแล้วก็ไม่ได้นานอะไรนับด้วยนาทีนาทีสองนาทีหรือบางทีก็นาทีเดียวแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํามเหล่านั้นรุนแรงเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นจนบางครั้งบางคราวก็ล้มตายไป <c oughs> อยังในกรณีที่มีข่าวคราวถึงว่าลูกจ้างในโรงแรมบันดาลโทสะโรกรธเจ้านายจุดไฟเผาโรงแรมมีคนตายถึงสิบสองคนแต่ผลท้ายตัวเองก็ต้องติดคุกซึ่งโอกาสที่จะหลุดรอดมาก็คงได้ยากนี่จะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วจะมีความสำนึกเสียใจ ในการกระทำผิดพลาดของตนเองแต่ความผิดพลาดนั้นได้ผิดพลาดไปแล้วสติในกรณีนี้จึงจาเป็นจะต้องมีกำลังมากพอ <c oughs> ท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสแก่มากเกินไปกิเลส ท, ที่ออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจานั้นเป็นกิเลสประเภทท่ล้นแล้วคุมไว้าภายในไม่อยู่แล้ว ถ้าปริมาณของตรมะอ่อนก็ประท่กิเลสไม่ได้เหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟที่ไหมแล้วถ้าปริมาณน้ําน้อยก็หยุดไฟไม่อยู่ถ้าประท่าแต่ถ้าปริมาณน้ํามากพอก็หยุดไฟได้เราสามารถที่จะดับไฟได้ลักษณะของกระแสทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่าเป็นกระแสกิเลสกับกระแสรกรรม ภพตหามานะทิชกิเลสนั้นเป็นกิเลสส่วนสุจริตนั้นเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจของบุคคลเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากแรงดันของกระแสะทั้ง4นั้นดังนั้นถ้าปริมาณของสติแก่อ่อนจึงหยุดไว้ไม่อยู่เพราะการไหลของ กิเลสมีความรุนแรงเกินไปพระเะจ้าจึงทรงสอนให้เสริมกิเลสไว้ด้วยวิธีการต่างๆเพราะงั้นอุปการธรรมคือธรรมะที่ข้าสนับสนุนกา ร, รปฏิบัติธรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมได้ในชั้นแรกก็อาจจะแยกตนออกไปอยู่ห่างไกลจากบุคคลอื่น มมนมีลักษณะกระแทกกระทันทางอารมณ์มากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีศีลมีสิกขาบทเป็นนั้นมากที่ต้องการจะควบคุมความรับรติของคนให้หยุดการกระทำที่เป็นทุจริตเอาไว้เพื่อเสริมจิตใจของบุคคลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะในทัานนี้ที่ออกมาเป็นการผิดศีลหรือขาดศีลหรือที่เป็นพระเรียกว่าต้องอัตินั่น ปริมาณของกิเลสแรงเกินไปสติมีกำลังน้อยประทะไม่อยู่เสร็จแล้วทุจริตก็ออกมาออกมานั้นจะพบว่าบางคนมีความสำนึกเสียใจก็ตั้งใจสำรวจระวังต่อไประมัดระวังต่อไปแต่บางคนถ้าสติยังขาดอยู่ในสุดก็เข้ารเขับพงไป พฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นก็เห็นได้ว่าทุกกระแสของกิเลสเหล่านี้แก่กระิบกระซากใจแก่สั่งแก่บงการแก่ชี้นี้ให้ทาอยู่เรื่อยไปบางครั้งเพราะกระแสความอยากเพียงอย่างเดียวที่ไหลท่วมทับจิตใจของบุคคลสติขาดไม่สามารถเกิดขึ้นปิดกั้นได้ในสุดความรุนแรงเหล่านั้นก็ออกมาในรูปแบบต่างๆบางครั้งอาจจะมีการส่องสมบุคคลขึ้น เขียนบาสนเท่ขึ้นแจกไปปลิวมีการปลุกระดมจนถึงก็ออกมาในรูปของการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามและทำลายฝ่ายตรงกันข้ามนั้นก็คือเป็นทุจริตไปแล้วเพราะสติก็ขาดแค่มีกำมังไม่ถึงก็ขาดเทียบคือ ก, กำมังอ่อนไม่มากพอที่จะคุมอะไรได้ใจก็ถูกกระแสของตันหาพัดผ่านไป ดนั้นการใช้สติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นจึงทำในระดับต่อไปด้วยวิธีการเปลี่ยนทิศทางกับคุมทิศทางลักษณะาการไหลของน้ำเป็นต้นนั้นเป็นตัวอย่างหรือการไหลของไฟการลุกลามไหม้ของไฟเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมซึ่งเชื่อเห็นได้ไปอย่างดีว่าการจะหยุดความรุนแรงของ กระแสน้ำที่ไหลไปนั้นนอกจากจะมีสิ่งปะทะซึ่งปะทะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งก็ปะทะอยู่ถ้าสิ่งที่ขวางไว้มีความเข้มแข็งมากพอแต่วิธีหนึ่งนั้นอาจทำโดยการเปลี่ยนทิศควบคุมทิศทางควบคุมการไหลย้ายเกิดความรุนแรงมากเกินไปคือให้ไหลไปในทางที่ ไปถึงกรบเบียดเบียนทำลายล้างกันข้อนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของกิเลสเหล่านั้นในชั้นของโลกโลกแล้วก็ไปกันได้โลกศาสตรใดที่ยังเป็นโลกศาสรนั้นก็ต้องมีต้องไหลไปในกระแสของกิเลสแต่ที่ไม่เป็นอันตรายก็คือการที่บุคคลสามารถควบคุมทิศทางของการไหลได้โดยไม่ให้แรงเกินไป ส่วนใดที่ควรชะลอไว้ก็ชะลอส่วนใดที่ควรแบ่งออกไปให้ไหลไปทางอื่นก็แบ่งออกไปพรามกระแสมันก็ลดน้อยลงไปทิศทางที่เราคุมไว้เราคุมไม่ได้ซึ่งข้อ น, นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเราแยกกิเลสออกเป็นสองสี่กลุ่มใหญ่ๆกิเลสสายราคะกิเลสสายโลภะซึ่งเป็นสายเดียวกัน กิสายโทสะซึ่งเป็นพวกวัตถุสลายและก็สายโมหะซึ่งเป็นความลลนในจักรโลกโล ก, โลกสายราคะก็คือเรื่องของการครองเรือนสายโลภะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสายโทสะก็คือเรื่องของการบริหารสายโมหะก็คือศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรตอะไรต่างๆที่จริงก็มีความมีกิเลสเหล่านี้เจือปนอยู่ตลอด แต่ถ้ายังเป็นการเจือปนในลักษณะเอาสติมาคุมทิศทางการไหลได้เราก็สามารถช้ประโยชนได้อีกประการหนึ่งนั้นเป็นการเปลี่ยนทิศทางซึ่งกร น, นี้จะพบว่าใจไปคิดอารมณ์ต่างๆเมื่อมีการตรึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นบ่อยๆกิเลสเหล่านั้นก็จะฟูขึ้นเพราะกิเลสทรงอุ ป, ปมาเหมือนไฟ แกได้เชื้อข้าวแกก็ลุกลามไม่พระเจ้าจึงทรงสอนในแนวของการเปลี่ยนทิศทางของกิเลสหรือของการไหลแห่งกิเลสเหล่านั้นซึ่งลักษณะเหล่านี้ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วกติของไทยเรามีเป็นจํำนวนมากที่ช่วยในการเปลี่ยนทิศทางของกิเลสเช่นการสอนในนับหนึ่งถึงสิเป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่ากิเลสเริ่มได้เชือ้อเริ่มลุกไหมภายในใจเราก็ไม่ให้เชื่อต่อไปจิตใจก็ไปสนใจเรื่องอื่นนี่ก็ทําให้กิเลสได้กําลังสนับสนุนน้อยลงการพัดผ่านใจให้ไหลไปตามกระแสของแก่ก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้นหรือไม่หยุดก็มีกระแสดอ่อนลงการประทับประทางของสติก็มีกําลังได้สูงขึ้น อีกประการหนึ่งนั้นเป็นการเข้าไปปะทะเลยคือเอาสติเข้าไปขวางกั้นไว้ไม้กิเลสเหล่านั้นท่วมทับจิตใจของตนเองการใช้ธรรมะเข้าปะทะจึงมีทรงแสดงไว้หลายขั้นตอนถ้าหากว่าเกิดจากข้างนอกแรงกระตุ้นกระแสของกิเลสมันไหลาไมาจากข้างนอกไปเข้าตาหัจมูกลิ้นกาย ก็สงสอนในชั้นของการขันติคือความอดทนไว้สติกับขันติสติระลึกว่าอย่างนี้เป็นอย่า ง, งานั้นอย่างนั้นก็ใช้ขันติอดกลั้นทนทานเอาไว้ถ้าหากว่าปะาะทะไว้ไม่ได้ปะาะทะไว้ไม่อยู่กับบางมาแรงเกินไปแล้วก็ใช้ให้อภัยฐานใจของบุคคล ให้อภัยรู้เสียสละที่เรียกว่าจาคคือสละอารมณ์ที่เป็นค่าสึกต่อจิตใจกิเลสเรานั้นก็ไหลามาแล้วมาตกตะกอนอยู่ภายในใจตอนนี้ให้อภัยก็ไม่ได้เพราะก็บกลับมาแล้วเก็เข้ามายึดครองอยู่แล้วเราก็สละคือละทิ้งออกไปคล้ายๆกับมีเศษสิ่งของมาตกลงในอาหารเป็นต้นมันตกแล้วคือใช้อดทนใช้ให้อภัยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหยิบออก เพื่อไม่ให้อาหารเดาทันปล่อยแปดเปื้อนไปด้วยการราักษาจิตใ จ, จด้วยสติก็มีลักษณะอย่างนั้ น, นขึ้นอยู่กับกรณีของอารมณ์หรือของกรณีของการสายกิเลสว่าอยู่ในจุดใดแล้วเราใช้ธรรมะเข้าได้แต่ถ้าหากว่ามาถึงจุดหนึ่งล้วก็สร้างสารจายกันตัวเองเอาไว้โดยให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองคือไม่ประมาท ไม่ประมาทก็กลายเป็นฐานใจเป็นภูมิที่คุ้มครองเอาไว้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ระลึกรู้ทันอยู่ตลอดนั่นคือการปฏิบัติในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจได้แก่การเหนี่ยวนึกการตรึกนึกหรือที่พูดรู้วิตก น, นั่นเองเพราะกระแสของกิเลสให้ลองสังเกตว่าตาหาเกิดขึ้นจากตาหาก็ได้เช่น บุคคลมีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เก็บความอยากเหล่านั้นภายในใจไว้ภายในใจในขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นใจก็เป็นเหนียวนึกถึงสิ่งที่ตนอยากกระแสของตานหาก็ขึ้นสู่จิตหรือว่าลักษณะของมานะทิชกเราถึงกิเลสเราอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันที่เราใช้คํ า, าคว่าธรรมารม คือใจเป็นเดี่ยวนึกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเกิดทิฏฐิบ้างเกิดตัณหาบ้างเกิดมานะบ้างเกิดกิเลสบ้างจนเกิดเป็นความโลภอยากได้ของคนอื่นเกิดพยาบาทปองไร้บุคคลอื่นความคิดถักเขออกไปในทางวิจาทิฏฐิเป็นตนนี้เป็นการเกิดขึ้นในภายในสติจะต้องทําหน้าที่ระลึกรู้ว่าอารมณ์นี้เป็นข้าศึกของจิตดังที่ พระพุทธเจ้าทรงเป่งพระพุทธอุทานตอนตัสรใุใหม่ๆโดยทรงเชื่อเห็นว่าดูก่อนกามเราเห็นเจ้าแล้วปัจนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําหนินี่เองเพราะฉะนั้นเห็นว่ากามก็ดีโทสะก็ดีพยาบาทก็ดีหรือแม้แต่ตัณหาก็ได้ข้อหนึ่งส่วนตรงนั้นเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนึกของใจเอง เป็นการเอาของเก่ามาเคี้ยวกินพระใจทำงานอย่างหนึ่งคือเคี้ยวกินอารมณ์เป็นลนักษณะแล้วก็ดึงเรื่องเหล่านั้นมาคิดจิตก็วิ่งเข้าสู่กระแสของตันหาซึ่งอาจจะเป็นตันหามานตทิฏกิเลสในเรื่องอดีตก็ได้แล่นไปในเรื่องอนาคตก็ได้หรือหมกมุ่นวนวายอยู่กับปัจจุบันก็ได้สติจะต้องระลึกรู้ทันว่า น, นี้เป็นข้าศึก นี่เป็นกิเลสสมานที่ล้างพรางความดีเพื่อลดความรุนแรงของแกไม่ให้เชื้อแก่แกก็ใช้ธรรมะอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าธรรมะคือข่มใจไว้ไม่ตรึกนึกเรื่องเหล่านั้นต่อไปแต่การไม่ตรึกนึกนั้นไม่ได้ทำให้กิเลสแกหายไปจากใจมันก็ต้องอาศัยหลักการบรรเทาค่อยๆบรรเทาไปเรื่อยจนถึงกระดับไปได้ในที่สุดอย่างน้อยก็เป็นช่วงหนึ่งเป็นขณะหนึ่ง แต่บางครั้งทรงป้องกันเป็นด่านนอกไว้เลยเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้ำเหนือไหลบ่ามาก็สร้างเขื่อนขวางเอาไว้ไม่ให้น้ำเหล่านั้นทะลักมาท่วมบ้านท่วมเรือนได้นั่นก็เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแนวหนึ่งที่ทรงใช้กับสติสองวนคือสำรวมด้วยสติระลึกทันว่า กระแสของสิ่งนั้นหรือกระแสความคิดในลักษณะนั้นที่จะไหลมาจากข้างนอกก็ดีที่จะเกิดขึ้นภายในก็ดีนั้นเป็นบาปเป็นโทษเป็นความเศร้าหมองเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนานานนับประการเพราะปิดกั้นกระแสเหล่านั้นเอาไว้รูปผ่านไปก็ผ่านไปเลยเสียงผ่านไปก็ผ่านไปเลย ถ้าเราถึงกลินรถผุตระพก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปล่อยให้ผ่านไปได้ในกรณีนี้บางครั้งก็ทรงปิดกั้นไว้อย่างนั้นแต่บางครั้งแกเข้ามาสู่สายตาแล้วก็ให้หยุดความคิดคือปิดไว้ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรถก็สักแต่ว่ารถเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็ง นี่ก็เป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เป็นการห้ามเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้การกระทาเหล่านี้ปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ตัวสติว่ามีกำลังมากพอหรือเปล่าและเพื่อให้สติมีกำลังมากพอจริงๆ จ, จนกลายเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์ได้โดยอัตโนมัติซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเวลามี รติมากขึ้นไวมากขึ้นการศึกษามากขึ้นสติเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นอันมากทีเดียวโดยอัตโนมัติไม่มีการนำมาปรุงต่อไม่มีการนำมาคิดต่อเช่นว่าเห็นเรื่องบางเรื่องที่ก็อชอบเคยพอใจสมัยเป็นเด็กสติเกิดขึ้นบอกของเล่นเด็กล้วก็อยู่ความคิดท่านั้นเองไม่เกิดอยากได้ไม่ต้องการปรารถนาอะไร ซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลนี้เองได้ใช้สติเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไปได้โดยอารมณ์มากระทบแล้วสติตีกลับได้โดยอัตโนมัติไปเลยส่วนหนึ่งไม่ใชทุกส่วนแต่ในขณะเดียวกันเพื่อจะเพิ่มให้การปิดกั้นกระแสของอารมณ์สูงขึ้น พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ฝึกสร้างสติเป็น ก, การฝึกสร้างสตินั้นทรงหลากหลายวิธีการต่างๆออกไปอย่างที่เคยกล่าวมาในมหาสติปัฏฐานสุในตอนที่ว่าโดยกายานุปัสนาสติปัฏฐานเนะคยรู้เท่าทันอริยบทยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มทำพูดคิดเป็นต้นสติระลึกทันอยู่ตลอดระยะเวลา ทำให้ความเผอเรือต่างๆไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมากนะักแม้แต่การตั้งสติตามระลึกดูลมหายใจเข้าออกซึ่งวันที่จริงก็เป็นไปเร็วมากแต่ถ้าสติสามารถระลึกเรื่องเร็วขนาดนี้ทันเรื่องที่มาช้ากว่านั้นก็ระลึกได้ง่ายยิ่งไปเจริญจิตานอปัสสนาระลึกดูจิตซึ่งเกิดดับทียิบแล้วระลึกได้ทันนะ แยกได้ทันเป็นราคะไม่มีราคะเป็นโทสะไม่มีโทสะได้ก็หมายความว่าจิตในขณะนั้นเข้มแข็งพอมีกระแทกจากข้างนอกหรือเกิดขึ้นจากข้างในสติก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์คือตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้รูปเสียงกลิ่นรสก็สับว่าผ่านไปผ่านไปไม่ซึมเข้าไปสู่จิตไม่เป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสให้แก่จิตใจความสงบความเยือกเย็นก็จะบังเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นตามสมควรกับการปฏิบัติ ต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป